อัลฮ il um ah uh. ัมด ah ุลิลลอฮิรับบินะเลมีนอัลลอฮุมะฮ์ซลาลัยมุฮัมมัดซุลแลมุอะลัยคุมวะราะห์มัตุลลอฮฺวะบาระกัดุตขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ س ا ن ه และ ت ع ا ى ในประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อและราศรทธาทน วันนี้เป็นการอธิบายส่วนหนึ่งของสุ ร, รยูซุฟตั้งแต่อายาที่แปดสิบเจ็ดถึงอายาที่เกนะ้าสิบหัวข้อเรื่องเขาตั้งไว้ดีฉันนี่แหละยูสุฟนะฉันนี่แหละยูสุฟนะก่อนที่จะได้ถึงคําว่าฉันนี่แหละยูสุฟมันความมีความเป็นมาที่ต่อเนื่องกับประวัติของนบียูซุฟอย่างไร เราเรียนเรื่องราวของท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเราไม่ได้เรียนเพื่อรู้ว่านาบียูซุฟลออย่างเดียวแต่เป็นการเรียนรู้กระบวนการของชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบท่านนาบียะคูบอะลัยฮิสสลามนาบียะคูบเนี่ยเป็นพ่อของท่านนาบียูซุฟนะนบียูซุฟเป็นลูกของนบียะคูบคนที่สิบเอ็ด จากพี่น้องสิบสองคนสิบคนแรกเป็นพี่น้องต่างมันดาสองคนหลังคือนบิูซุกกันบุญามินเนี่ยเป็นพี่น้องอร่วมบีด า, าเป็นน้องอีแม่น่แน่นอนโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ถูกอารมณ์ครอบงำความอิจฉาครอบงำชัยตอนครอบงำเนี่ยชัตอนมีมาตั้งแต่นู้นเลยนะ ไม่ใช่สมัยนบียซุฟไม่มีนะชาตตอนมีตั้งแต่ตอนไหนแล้วนบีอาดัมแล้วนะนบีอาดัมแล้วทำให้หลงผิดลวงความรู้สึกลวงความเชื่อชาตตอนทำหน้าที่เพราะมันสัญญาว่าเราอุกเวียนนาหุมอาจมาอินฉันจะหลอกลวงให้เขาทั้งหมดอยู่ในทางหลงผิดทั้งหมดแหละไม่เก็บไว้รอกเ็นภาษาไทยก็เรียกว่า ในนิทานในศพก็เดียวแล้วนะสุนักหางด้วนเวลาหางมันด้วนมันก็ชวนคนอื่นบอกาหางด้วนอ่ะสวยนะไอ้คนที่เชื่อก็ตัดหางทิ้งไปด้วยทําให้หางด้วนแต่อะไนั่นเป็นความไม่สมบูรณ์ของมันแต่ว่าเสนอแนวทางที่เชิญชวนแล้วก็ทําให้คนนั้นหลงผิดไปด้วยนะะงั้นอ่านก่อนเอาอ่านเอ า, อาบุญก่อน อาลั่ ا ุบิลละฮิมินัลชัยตันอิรจิมยาบ ا นียดฮับูฟะทัพส์ซูมินยูซุฟและอัครีวลาดัยอสุมิรอห์อิลลาอินนั้วลาัยอสุมิรอห์อิลลาอิลลล์กุมุลคาฟิรุน فلما ََ دخلوا ََ ع ل ي ه ِ قالوا يا أيها ا ل أ ِ ي ُ مسنا ََّ وأهلنا الدر وجئنا ببضاعة َِِ مزج مزجنة فأوفلنا الكيل وتصدق َََ علينا ََ إن الله َ يجزي المتصدقين ََ قال قال قال أنا ق ้าวَาฮะผู้ทรงป ت ญญาท่านทำอะไรกับยูซุฟและพี่ชายของท่านท่านไม่รู้ห ا ือพว و เขากล่าวว่าถ้าท่านไม่ใช่ยูซ و ฟข้าี่คือพี่ชายขอَท่าน”“เَาได้รับُวามเมตตَจากพระเจ้าพระَงค์ทรงَมตตาเราแ فإن الله لا يضيء أجر محسن นี่คือคำตอบที่บอกว่าฉันนี่แหละอยู่สุขเมื่อกี้บอกเป็นการเบื้องต้นว่าเวลาอยู่สุขเรื่องระแวมาแล้วพี่น้องคนเวลาอยากจะได้ดีอ่ะ ทิศทางที่ถูกต้องของอิสลามคือให้มีการแข่งขันแต่ทางของอชัยตอนก็คืออะไรอิจฉาทิษยาเหยียบย่ำทำลายนี่อยากจะดีนะ่ะจะอัปเกรดตัวเองก็ต้องเหยียบคนอื่นนั่นคือแบบชัยตอนแต่แบบมุสลิมทำไงยอยากจะอัปเกรดตัวเองให้ดีขึ้นก็คือขยันทําความดีปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นี่คือความต่างของอารมณ์ ผู้ศรัทธากับอารมณ์ของผู้ที่ถูกใช้ตอนอยุแย่นะงั้นนบียูซุปนะเป็นลูกพระยาคนที่สองมีสองคนยูซุฟกับบุญญมินไอแม่แรกสิบคนรวมเป็นสิบสองคนลูกเยอะอดีนะมันจะได้มีหลานเยอะ <c oughs> มีลูกคนเดียวตายแล้วจบเลยนะมีลูกหลายคนจะมีโอกาส ส่วนความหลังนิดนึงว่าความเสียใจของนาบียากูปน่ะร้องให้จนตาบอดตามัวผ้าไปเลยบอดมองไม่เห็นเป็นเวลาหกปีเสียใจจกกนกรทั่งตามัวตาผ้ามัวเป็นเวลาหกปีแต่วันที่อัลลอฮ์ให้เขามองเห็นก็ด้วยเสื้อของนาบิยูซุปนะที่พี่น้องนาบิยูซุป เอาเสื้อน บ, บียูซส่ไปวางไว้ข้างหน้าท่านที่หน้าของท่านเขาจึงมองเห็นนะเอาไปวางที่หน้าของน บ, บียกรุปก็ทําให้น บ, บียกรุปมองเห็นในความทุกข์ที่น บ, บียกรุปมีอยู่นั้นน่ะไม่ได้ร้องเรียนต่อใครอันนี้หลักสําคัญความทุกข์ความลําบากยากเข็ญที่เราได้ประสบนั้นอย่าไปร้องเรียนความยากลําบากต่อใคร หลายาติกุปเดีร้องเรียนความยากลําบากต่อลอซอนตาลาซึ่งตรงนี้แหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกชีวิตนั้นลําบากต่อสู้ชีวิตไปนะคนรอบข้างเขาจะเห็นเองว่าเราสู้ชีวิตแล้วเราขาดแคลนนะไม่ต้องร้องเรียนต่อใครวันนั้นผมดูรายการอะไรอ่ะรายการอะงสักอย่างนึงอะนะ ที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกสองคนใครดูบ้ามีลูกสองคนแล้วก็มือเส้นประสาที่ปลายนิ้วอ่ะมันมันเสียมันทําให้นิ้วทั้งสิบนิ้วเนี่ยเน่าแล้วหมอก็ตัดนิ้วปลายนิ้วทั้งสิบนิ้วก็กลายเป็นแม่ที่มือด้วนสามีตายมีลูกสองคนการดูแลชีวิตไปเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะอะไรสามีตาย พ่อกแก่แล้วมีรายได้แค่หกร้อยก็อาศัยพี่ที่อยู่ข้างบ้านทำกับข้าวส่วนหนึ่งพี่ชายก็กินในครอบครัวและอีกส่วนหนึ่งถ้วยหนึ่งก็แบ่งให้กับครอบครัวนี้แต่อย่างว่าทำกลางความสูญเสียความเสียใจมั่นไม่มีใครที่จะปรึกษาหารือก็คิดที่จะฆ่าตัวตายคิดที่จะฆ่าตัวตายใช้ตอนมันมาแล้ว คิดฆ่าตัวตายแต่ถ้าเรายึดมั่นต่อคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยตอนนั้นอย่าคิดสิ่งที่เรามีความหวังคือความหวังที่อัลลอฮ์บอกว่ า, วาลาตักมาตู้มิรอกมาตินละท่านทั้งหลายอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ให้อิบาร์ได้เยอะๆดูอาเยอะ ๆ, ดอๆเดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งผ่านความเมตตาให้กับคนอื่นมาถึงเราเองนะอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาโดยส่งผ่านคนอื่นมาดูแลเราเองฝีเหงุนี้ก็เสียใจ ก็ตัดสินใจไปอยู่ไปก็จะเป็นภาระต่อคนอื่นผมร้องให้ตรงไหนได้ไหมตอนที่บอกกับลูกว่าถ้าวันไหนที่มะไม่เห็นมะแล้วนะ่ะให้ไปดูในบอ่อให้ไปดูที่บอ่อแล้วจะพบมะอยู่ที่นั่นแล้วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ตัดสินใจเดินไปที่บอ่อเพื่อจะดดน้าตายอ่ะจะลงมาในบอเพราะน้าไม่เป็นถ้าลงไปก็ตายเลยแหละแต่ลูกสองคนที่เห็นก็นเรียกแม่ นะเรียกแม่มาเนะมาคุยกันเรียกแม่มาแม่ก็เลยตัดสินใจว่าออจะดูแลลูกต่อไปนะเพราะนั้นความยากจนที่มีอยู่ในความขับแค้นที่อยู่ในใจคนน่ะมันเป็นสิ่งของคู่มีฐานะต้องต้องเหลียวดูเราอยู่ใกล้กันบ้านใกล้เคียงเบีว่าไงนะต้องใส่ใจต่อเพื่อนบ้านนะตรงนี้จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ว่าเพื่อนบ้านก็เราขาดแคลนแบบไหน แล้วเราสามารถจะอุปถัมภ์คำจุนได้ระดับไหนนี่คือหน้าที่ที่เขาเรียกว่าฮักคุนจีรอนหน้าที่ที่เราต้องมีต่อเพื่อนบ้านถ้าระบบนี้ถูกปฏิบัติโดยต่อเนื่องสังคมรอบข้างจะไม่ถูกท่อทิ้นและจะไม่ไม่จะไม่ขาดคนเหลียวแลนะงั้นความเศร้าตัดสินใจจะข้าวตัว ต, วตายแต่นบียะกูบเศร้าใจตัดสินใจฆ่า ต, ตัวตายไหมไม่ แต่ร้องขอต่ออัววลลอฮฺสุลตาราอย่างเดียวที่จะอยากจะพบลูกและให้ลูกได้รับความปลอดภัยแล้วที่สุดอัลลอฮก็ตอบรับดูอานะลูกก็ได้เจอกันหมดอาเหตุการณ์ต่อไปดูนะยาบานีอ่หลังจากพี่น้องนบียูซุฟไปหานาบียูซุฟแล้วเนี่ยนะนบียกุบก็สอนลูกที่ไปทั้งหมดเนี่ย เดี๋ยวความเป็นมาอีกนิดนึงนบียะับนบียูซุปนีบบ่ฝันตอนอายุ8ปดปีฝันว่ายัางไงอิซกลยูซุฟีอบิยอาบตีอินนีรอไตุอฮะดะอัชรอากะบัววะชัมวกอมอตุมลซียดีนฝันเห็นว่านะมีอะไรยาอินนีรอตุอฮะดะอัชรอากะบันมีดาวสิบดวง ว่าชั้มตสวันกอมัดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเราไอ้ตัวหุมนดีไซดินได้สื้อยู่ต่อฉันนบียูซุฟก็เล่าความฝันนี้กับท่านนาบีฟังตอนนั้น น, า น, นาบีอูซุฟอายุแปดปีพ่อนบีอูซุฟคือท่านนาบียากรุก็บอกว่าอย่าเล่าให้ฟังให้อย่าให้ใครฟังนะโอ้ลูกรักอย่าเล่าความฝันนี้ให้ใครฟังแล้วเหตุการณ์ปรากฏการมันก็เกิดขึ้น แต่นี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่น้องพี่ต้องรวมกันฆ่าน้องเพราะอะไรเพราะความอิจฉางั้นอิจฉาในตัวสําคัญที่สุดหาซัดเนี่ยหาซัดหาซาดุลหาซีดั น, น, ดนอิจฉามันเป็นโรคร้ายที่เกิดขึ้นจากภายในแค่เรียว่าอัมรอดบาตินียะโรคภายในนะโรคภายในที่เกิดขึ้นเป็นโรคอิจฉา พอเห็นพ่อรักน่ะธรรมดาพ่อน่ยรักทุกคนแหละยิงน้องตัวเล็กก็ยังรักมากกว่าพี่ตัวโตวเพราะว่าพี่เดิดูแลตัวเองได้น้องยังเล็กอยู่ก็มีความรักแต่ลูกแม่แรกกสิบคนอิจชานาบียูซุปและบุญญามินก็ตัดสินใจอย่างที่รู้แหละจะฆ่ า, อาบอกพ่อจะเอาไปป่าพ่ออยาไปเลยสุนัขป่ามาันเยอะเดี๋ยวจะกินน้อง คนนั้นก็รับรองอย่างดีเลยว่าจะรักษาน้องให้ดีที่สุดให้พ้นจากการกินของสุนัขป่าแต่ก็ตัดสินใจอน้องไปทิ้งที่เหวอย่างรที่รู้กันอยู่งั้นความละบากของนายูซุฟต้องไปอยู่ในเหวอันเราจะไม่ให้ตายก็ให้คนกองคาราวานมาตักน้ำนายบิลซูปติดมากับที่ตักน้ำของของกองคาราวานและถูกขายเป็นสินค้ากับผู้ปกคในยิป แล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเป็นคนหล่อเหลาเป็นคนนิสัยดีอย่างที่เรารู้สุรลคอก็ชอบบรรดาใปรากฏการณ์เหล่า น, นั้นเกิดขึ้นอันนั้นว่าไปแต่เนื่องเมื่อวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเป็นยังไงมีการฝันเกิดขึ้นรบีซุปก็ทํานายว่าประเทศอียิปต์จะนะจะจะจะแห้งแล้งถึงเจ็ดปีนะแห้งแล้งเจ็ดปี งั้นวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจด้วยไรก็ตามนะ่ะถ้ามันวิกฤตเกิดขึ้นแล้วนะมันจะเกิดเจ็ดปีอีเจ็ดปีถึงจะหายวิกฤตบ้านเราไ อ, ไอกองทุนอะไรนะที่ผ่านมานะ่ะ i อเออน่ะนะมหาริดบอกเลยว่าวิกฤตเหล่านี้จะเป็นอยู่เจ็ดปีแล้วจะฟื้นหลังจากเจ็ดปีแล้วอะไรอิงต่อคำตอบที่นายวิูซุกบอกตอนนี้พอวิกฤตเกิดขึ้นความแห้งแล้งเกิดขึ้น ทำยังไงล่ะประชาชนก็ต้องพึ่งกัพึ่งทางราชการก็ไปหานะฮะเข้าไปในเมืองอียิปเพื่อไปหาสเสบียงแล้วก็นอับยาคุก็เตือนว่ายาบานีาโอ้ลูกลักอิสฮาบูท่านจงไปฟาตาฮัสซาซูมินยูสุฟะฟาอวะคีแล้วนะจงไปสืบข่าวดี นะมันมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีก็ไปสืบข่าวดีที่เกี่ยวกับเรื่องของนาบียูซุปว่าขาี้หิและพี่เนองและน้องของนาบียูซุปที่ชื่อบุญญามินไอตอนนั้นเรารู้เลยนะชันเชิงของนาบียูซุปต้องการจะดึงน้องไว้อรู้แล้วใช่ไหมเอาขันเพื่อขันอะไรฮะใครดูนะเรียกให้ดีหน่อยของวังอ่ะขันนีแ่แหละนะ ที่ประดับเพชรประดับทองอะ่ะใส่ไว้ในถุงของโยบุญญามินแล้วก็บอกว่าบุญญามินเป็นคนลักผมยิบปก่อนเนี่ยก็ เ, เป็นแผงขางเ ล, ลบียุซุพาอรู้ดีว่านี่เป็นพี่น้องไอ้ น, นี่คือน้องยิบปก่อนอันนั้นคือความความหลังที่เราได้ผ่านมาแล้วก็ไปให้ไปสืบสอบอ่อพอไปสืบสอบปุ๊บเนี่ย นั่นก ua บอกว่าเวลาไตอสูมีเ ร, ราให้แล้ท่านจะเบื่อนายนะเวลาไตอสูรรท่านจะเบื่อนายอย่าท้อนะมิ้นเราให้แล้ต่อความเมตตาของอัลลอฮฺซวาดีลางั้นชีวิตเวลาเกิดวิกฤตขึ้นอย่าท้อเวลาท้อปุ๊บเนี่ยเหนื่อยนายท้อมีความรู้สึกว่าหมดหวังในชีวิตไม่มีใครดูเราอีกแล้วไม่มีใครใส่ใจาอีกแล้วใครมา ใครจะมาทำลายรเราโดยการกระซิบกระซาบคือใครช้ยตอนจะมาทำลายเราโดยการกระซิบกระซาบนะและยิ่งแนวคิดของคุณที่มาแจ้งมุสลิมมีความเชื่อว่าถ้าตายแล้วก็หมดกรรมนะก็ขาดตัวตายแล้วก็หมดกรรมนะเราไม่ใช่แบบนั้นตายไปแล้วจะต้องถูกเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อรับการสอบสวนในวันกี่ยากมางั้นทาไมจะเพิ่งตาย เวลาตะมูตุนนะ่ะเาบอกท่านหลายอย่าเพิ่งตายอิล่าวะอันตุนมูซูมูจึงกว่าท่านจะเป็นผู้ที่ยอมตนต่อเราโดยสยบต่อเราโดยเส้นเชิงเสียก่อนคือตามคําสั่งของอัลลอฮ์ก่อนมีก็กินไม่มีก็อดอิบาร์ด้าต่ออัลลอฮ์อย่าวันไว้ถ้าเราจะเอาชีวิตไปเมื่อไหร่นั่นเป็นเวลาที่อลัลลอฮ์กาหนดแล้วอัลฮัมดุลิลแลอย่าทํำไรกับตัวเองอย่าฆ่าตัวตายพี่น้อง ยิ่งทุกข์ยิ่งกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยการละหมาดสุนัตให้มากขึ้นยิ่งทุกข์ยิ่งดูอาต่อลัลลอฮ์มากขึ้นยิ่งทุกข์ยิ่งสิเกตต่ออัลลอฮ์ซาตรามากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่เหนื่อยหน่ายไม่ทอ้อวิกฤตให้ขอดูอาต่อลัลลอฮ์ยาหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้อย่างมหาศาลนะให้อย่างมหาศาล นะอัลลอฮ์มีความเมตตาอัลลอฮ์มีความเอ็นดูทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะความเมตตาของอัลลอฮ์สุมาตาลาถ้าอัลลอฮ์ะจะล็อกออกซิเจนสักแป๊บหนึง่งก็ตายแล้วนะแต่อัลลอฮ์ก็ให้ออกซิเจนให้เราได้หายใจโดยตลอดในอากาศที่บริสุทธิ์นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ตามาไม่กระดิกเราก็แย่แล้วอัลลอฮ์ให้ตามาอัลละฮ์ก็ให้มีน้ําตาใจมันก็ะดิกไดต้ตามันไม่แห้ง แต่แกเอายามาหยอดตามันเนี่ยเราอยู่เพื่ออิบานดาต่อเรอจะรีบตายไปไหนจ ะ, จะรีบตายไปไหนจะแก่จะเท่าก็ไม่เป็นไรนะเป็นการวัดความกระตันอยู่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่อย่าไปคิดว่าเราแก่แล้วเป็นภาระของลูกอยู่ตรงนั้นแหละให้ลูกได้มีโอกาสได้ไ ด, ได้ทําความดีต่อพ่อแม่ลูกก็จะได้ได้รับความดีด้วยลูกจะได้บรญกาศที่จะรตอตอบแทนให้ด้วย อย่าฆ่าตัวตายอยู่ไปก็ตายอย่าไปฆ่าอย่ารีบนะอย่ารีบงั้นแสดงว่าไงเวลาวิกฤตเกิดขึ้นหนึ่งอย่าเบืออนายสองอย่าทอแทสามให้ดูอาต่อ อ, อัลลอฮ์สีอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอ์สุมาตา ล, ตลาเพราะอาลัลลอฮ์นั้นเอ็นดูเบาของพระ อ, องค์เสมอ ไม่ได้เมตตาต่อมนุษย์อย่างเดียวเมตตาต่อสัตว์เมตตาต่อพืชทุกอย่างอลัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอห์อะไรนะอัรลอฮ์มานมีศีลธรรมอัลลอ์มานที่ทรงเมตตาทุกกลุ่มทุกคนแม้ผู้นั้นจะไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ตามแต่อริมนั้นอลัลลอฮ์เมตตาเฉพาะมุสลินเท่านั้นในวันกยิยามะงั้นวันนี้เวลาลำบากอดทนอัลฮัมดุลิละละอัลลอฮ์ให้ผลเรื่องบุญที่เราอดทน เราไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยถ้าบททดสอบหล่านั้นมาถึงเราเพียงแต่เราอดทนแล้วก็แก้ปัญหาตามที่อัลลอฮ์บอกเท่านั้นเองยิ่งกลุ้มยิ่งกล้อัลลอฮ์นะยิ่งเครียดยิ่งใกล้อัลลอฮ์ยิ่งลาบากยิ่งกล้อัลลอฮ์ ย, ยิ่งร้องไห้ต่ออัลลอฮ์ซาตลาอัลลอฮ์มองดูเราอยู่อินนารบบากาลาบินมิลซอดอัลลอฮ์ Allah. จ้องมองดูเราอยู่ว่าเราเป็นยังไงอัลลอฮ์เห็นอยู่นะจิงกับอัลลอฮ์หรือเปล่า นะไม่อยาตากินแล้ยาจะอัลลอฮุมัครยาใครที่ตักวาต่อเราจริงๆนะอเลาจะให้ทางออกหัวยารสุกขุมมินสุรายมินไทยสุรายาตสิบและจะให้ธุรกีปัจจัยอย่างชีพแก่เราที่ไม่สามารถจะประเมินได้งั้นการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะไม่ใช่น้ําอย่างเดียวสุขภาพความคิดความรู้สึกอารมณ์มันมีทั้งหมดแหละ งั้นอย่าคิดฆ่าตัวตายตอนนี้แม้จะมีแต่มีบาปก็จะหมดหวังจะค้าเมตตาขอหรอเพราะเราบอกไดอักราว่าอินนลัลลอฮ้ยาะอฟิรุสูนุกจะมีอันอัลลอจะเป็นผู้ยกโทษให้ทั้งหมดอินนูวลฟูรุรอฮีเพรา ะ, ราะอัลลอ ฮ, ฮฺมีศีฟาอัลอฟูดยกโทษให้อัลรฮีผู้ทรงเมตตา นะอย่าหมดหวังทำบาปก็ขอดุ่นอาตอรอโ ย, ยกโทษจนก็ขอดุ่นอาตอรอให้มีช่องทางนั่นนั่นคือชีวิตที่ผูกกับคำสั่งของลอสอตาลานะที่เราต้องเข้าใจน บ, บีบรหิมก็เตือนนี่แหละเตือนลูกๆน บ, บียะโกก็บอกให้ลูกๆได้รู้ว่าอย่าหมดหวังจากความไม่ต่างของลอเขาจะหลงผิด แต่มีอย่ากรปเตือนงั้นความจนเกิดขึ้นถ้าหมดหวังก็ฆ่าตัวตายทั้งหมดแต่ว่าไม่หมดหวังก็ได้ต้องไปหาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลประชาชนคือรัฐาที่เขาดูแลประชาชนเพราะก่อนหน้านั้นนายเบียรูซุปได้ทำนายให้รู้ว่านะต่อไปนั้นในหยิบจ ะ, ะได้จะสมบูรณ์เจ็ดปีแล้วก็แห้งแรงเจ็ดปี แล้วก็สอนให้ประชาชนได้เก็บอาหารข้าวเนี่ยไว้กรวงอย่าไปนวดข้าวออกมาเป็นเม็ดเม็ดให้เก็บข้าวไว้กรวงเพราะเมื่อข้าวอยู่กับรวงแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นรัามันจะไม่เสียหายแต่ถ้าเราเราเราสีออกมาแล้วเราเนี่เราเราเอามปเป็นเมด็ดเม็ดใสกระสอบใสใสยุ้งไว้แล้วเนี่ยข้าวมันจะเสียหายเม็ดมันจะหักเม็ดมนจะแตกเม็ดมันจะเหลือง งั้นถ้ามันอยู่กับร้วงเนี่ยมันจะรักษาสาภาพได้ดีที่สุดเหมือนกับเมื่อกี้คุยกับูี่ญ่มัทเขาบอกกล้วยเนี่ยกล้วยที่เราตัดมาเนี่ยนะถ้าเราตัดมาเป็นหวีหวีหวีแย่กว่ามาจากเครือนะมันจะสุกเร็วแต่ถ้าเราแขวนมันไว้เนี่ยอยู่กับเครือเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยสุกแล้วเราก็จะได้ทยอยกินมันได้งั้นอย่ารีบตัดแล้วถ้าจะบ่มกล้วยให้หวานที่สุด บม่บมไม่ได้เดี๋บ่มใส่โอค์อย่างที่เราบม่มให้บ่มในถุงพลาสติกแล้วเจาะรูหน่อยให้ให้อากาศมันออกให้เหงื่อมันออกแล้วมันจะหวานกว่าบ่มไว้ในโอค์ที่บ่มแก่ที่เราบ่มสมัยก่อนนั่นมันมีวิธีของมันนะงั้นตอนนี้เวลาความยากจนแห่งแรงเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องรบียยูซุปไปหาเลยไปหา เ, าเจ้าเมืองมียูซุปเป็นนะเบียยูซุปเป็นขุนขัน นบียูซุปเป็นขุนกลังที่ดูทรัพย์สมบัติของประเทศนี่นะมีรายงานว่านบียูซุปแม้แต่เป็นขุนกลางนบียูซุปกบ็บวชบวสุนัตบวชได้บวชมีคนถามว่าท่านเป็นกระทั่งเจ้าเมืองทำไมจะต้องบวช ด, ด้วยหรือแต่บียูซุปตอบว่าที่ฉันต้องบวชเพื่อฉันจะได้รู้ว่าคนที่มีความยากจนหิวโหยน่ะเขาลำบากแค่ไหนเพียงใดฉันต้องหิวด้วยตนเอง และความรู้สึกหิวในตนเองเนี่ยมันจะได้ตอบโจทย์ตอบคาถามให้คนที่เขาหิวคนอื่นได้ว่าเขาหิวมันเป็นแบบไหนอย่างไรเราต้องหิวก่อนเราจึงจะได้รู้ว่าเขาหิวแบบไห น, นและอน้ําใจที่เกิดกูลมันจะได้เกิดขึ้นนี่คือคนถามนบิลซูบาเป็นกระทั่งขุนคลังของอียิปต์ทำไมต้องถือบวช ด, ด้วยฮนะเพราะจะได้นึกถึงคนที่มีมีความหิวโหวยตอนนี้ไฟลัมมาดาคอรูอะไรเหตุ เมื่อพี่น้องของนบียูซุฟพวกเขาได้เข้าไปหานาบียูซุฟดะคอรู้อะไรดะคอรู้อะไรยี่อัาลววายูซุฟได้เข้าไปหาท่านนาบียูซุฟก็รู้พี่น้องของท่านนบียูซุฟตอนนั้นพี่น้องนบียูซุฟรู้ไหมว่าคุณคังเป็นปนบียูซุฟรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าคนที่ดูแลทรัพย์แผ่นดินขณะนี้คือท่านนาบียูซุฟที่ตัวเองรวมตัวกันที่จะฆ่า แต่มีคนหนึ่งในจำนวนนั้นแหละบอกอย่าไปฆ่าเลยให้โยนทิ้งเหวกันแล้วกันนะลาไตาลาใ ย, ยอสุมิเราเห็นละพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เบื่อนายไม่ได้หมดหวังจากความเมตตาของอลอสซาตาลานันใจที่ตั้งไว้ จะต้องไม่หมดหวังต้องไม่เบื่อหน่ายต่อความไม่ตาของลอสซาตาลางั้นคนที่หมดหวังจากความไม่ตาของอลอสซาตาลาไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุหมินเพราะเราบอกอินลาอิอินเลก้าวมุลกาฟิรูนเว้นแต่กลุ่มชนที่เป็นกาเฟตเท่านั้นแหละที่เขาหมดหวังจากความไม่ตาของลอสซาตาลาคนเหล่าเนี้ยบางทีอะไรครับมีบริ ษ, ษัทขาดทุนเป็นพันล้านตัดสินใจฆ่าตัวตาย มุสลิมจะไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายและคนเดินตามวิถีอิสลามที่ไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายอ่ะท้ายสุดชีวิตเขาก็รอดแม้จะเจ๊งพันล้านก็าตามเคยอ่านสารคดีไหมอ่านเรื่องราวไหมนคนจนขาดทุนเจ๊งเลยเป็นพันล้านคิดจะฆ่าตัวตายแต่มาคิดอีกทีไม่ฆ่าตัวตายขายขนมปังอะไรอ่ะใช่ไหมนะแซนด์วิชใช่ไหมขายแซนด์วิช เขาก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้จากตอนนั้นนะ่ะคิดจะฆ่าตัวตายแล้วมันหมดสิ้นแล้วเนี่ยนั่นคือความคิดของของกาเฟตแต่มุสลิมที่ศรัทธาตลอดต้องไม่มีความคิดเหล่านั้นเพราะระบบสังคมเนี่ยมันจะสามารถเอื้อเอื้ออะไรเจือาจารย์กับพวกเราได้นี่จนแบบนี้นะถ้าคิดแบบกาเฟตฆ่าตัวตายแล้วแต่พ่อนบดีอูซุบบ่กไปหานาบดีอูซุบไปเลยไปขุนคังอียิปต์ไม่ได้บอกว่านาบดียูซุบ ไอพวกนี้ออไปฮะอ่านั่น แ, และวิกฤตที่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นจะมาอ้างแก้ได้นะอย่าโดนเดี่ยวตัวเองอย่าคิดว่าไม่มีใครจะคบกับเราไม่มีใครนั่งเครียดอยู่ที่บ้านเดี๋ยวสาตานมาแล้วเอาเออั้นสะิเอางินสินะสัตันก็เน้นน้ำไม่ฆ่าตัวตายนะ คือจะจะได้หนีโรคภัยไข้เจ็บจะได้หนีปัญหาแต่จริงต้องไปเจอปัญหาหนักหนักก็าอยู่ดุงยาอีกยังหนักก็อยู่ดุนยาเวลาไปเจอเอเคร์อแล้วหนักก็อยู่ดุญยาฝรัเรมาดครู้อะไรเวลา เ, อเออข้าไปหาอับดุลยูซุปพี่น้องก็ได้บิวซุปก็ว่าไงยายอายุวอจีอีสโอฆ่าหลวงกู้ยิงใหญ่มสัสนาวะอลนั ด, ดุรความทุกข์ นะได้ประสบกับเราและครอบครัวของเราไม่มีจะกินความทุกข์สิไปบอกอย่างนี้วาจินาบีบิดออตินมุสจาตินและเราได้นาสินค้าราคาต่ำคือคือคุณภาพมันราคาต่ำสินค้าคงไม่ดีแหละเอาสินค้ามาด้วยนะช่วยตัวเองด้วย จะไปขอความช่วยเหลือด้วยในขณะเดียวก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยโดยนําสินค้าพื้นบ้านจากบ้านตัวเองพวกพื้นบ้านตัวเองอะเอามาขายด้วยแต่มันเป็นสินค้าที่ด้อยคุณภาพพ่อค้าก็ให้ราคาต่ำนะแสะดง ว, ว่าไงวิกฤตเกิดขึ้นเราต้องพยายามอะไรนะดูแลตัวเองก่อนนะสินค้าไม่ดีไม่ค่อยดีพ่อค้าไม่นิยมราคาก็ต่าก็บอกว่าไงน่ะ น่าจะเอามาเป็นตัวเสริมอ่ะเออเราก็มีของเราด้วยไอไปขอเขาก็ส่วนหนึ่งไอของเราเอาก็ไม่ใช่มาขอเฉยๆก็ดิ้นรนที่จะเอาสินค้ามาขายด้วยแต่คุณภาพไม่ดีก็ราคาต่าหน่อยฝาเอาฟิลานันไกลล่ะจงตวงโปรดได้ตวงให้เราอย่างครบถ้วนนะมันจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยในความต้องการเนี่ยมันขาดแคลนเหลือเกินช่วยตวงใหเราอย่างครบถ้วนก็ให้แบบให้ครบๆอย่าตัดทอนอะไรเลย วาตาสดรักอะไรนาะและให้บริจาค ก, กับเราด้วยนะบริจาค ก, กับเราด้วยสร็จแล้ว ก, ก็และกาอะไรครับขอให้ส่งน้องของเราคืนมาด้วยต่อหลังนรู้ว่าบุญจมินอยู่กันนบีอุสุนะส่งน้องของเราคืนมาด้วยหนึ่งให้ช่วยแก้ปัญหาให้เยอะๆหน่อยสองอะไรบริจาคให้ด้วย งั้นการบริจาคเนี่ยสามารถแก้ปัญหาสังคมได้นะซาดาก็เนี่ยซาดาก็มาจะคําว่าซิดกุลซิดกุลแปล ะ, ะไรไมีความยืนหยัดจริงใจอ่ะคนถ้าไม่จริงกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่กล้าบริจาคหรอกเสียดายกลัวจะหมดแต่ถ้าจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาจึงเรียกว่าซิดกุลซาราก็มาจะกคำว่าซาดซิดกุลซาดอก็มาจะคําว่าซาดาก็วิาซิกุลยืนหยัดอยู่กับความจริงเหล่านี้ในใจอย่างเต็มหัวอกแล้วสามารถทําได้ ถ้ายังเสียดายทำไม่ได้มีอยู่รอยหนึ่งคนมาขอจะให้สามสิบอุ้ยเสียดายให้สามสิบเหลือตังหกสิบเขาไม่มีเลยเนะี่ยเราต้องยังเหลืออีกหกสิบบาทนะเราให้แกเขาแล้วอัลลอฮ์บอกทำหนึ่งได้สิบแล้วเราก็จะเพิ่มความดีให้โดยเราไม่สามารถจะประเมินได้แต่นี่อัลลอให้เนะี่ยบางทีไม่ใช่เม็ดเงินบางทีเป็นสุขภาพบางทีมีจิตใจที่มุ่งมั่นจะอิบาดาต่ออัลลอ์ มาที่เหงาเงาก็ไม่ได้ร้องเพลงนะกล่าวตาสเียโซฮานาลอไอร์คำนิลาลอวักบัดเงาอย่าร้องเพลงพี่น้องสาตานเข้านะอย่าร้องเพลงเวลาเหงามาเครียดมาละมาสุนัตสองโรคอัดไม่ได้ต้องเนตว่าสุนัตแก้เหงานะละมาสุนัตสองโรคอัดแล้วขอดยอสัสยูก็ขอโดยอาไปเราสูอยูตอ่ต่ออัลลอฮ์เราขอตอ่อตอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เมื่อไหร่นั้น อยู่ที่ความประสงค์ของพระองค์เราแย่ๆนี่นะถ้าให้รวยเร็วบางทีเราสำลักเงินนะโอ้โหรวยเร็วคิดไม่ถูกเลยไอ้ลูกเนะ ส, สมัยก่อนเนะี่ยมีมุสลิมมารวยรวยแบบไม่ทันตั้งตัวเออไม่ไม่รู้เรื่องขายที่รวยไม่รู้จะทําอะไรไม่นะ้อซื้อระบือสมัยก่อนแม่งระบื อ, อ, เ, ลล เ, อ, บอเครื่องจอร์นสันนีแหละที่เรื่อระบือติดเครื่องโอ้โห วิ่ง้อยเลยไอ้คือนี้เจนสันเนี่นะเครื่องเจ้าสันโอ้ ว, วิ่งลอยอวความเลยแล้วว่างๆก็กลางวันก็ยิงปืนไม่รู้จะทำไรยิงปืนปังปังปังทั้งวันแหละตังเยอะเจ๊พระพอรวยก็ซื้อระเบือครับอยู่นั่นแหละ แต่ว่าพ อ, อได้รวยโดยโดยบางเอิญคือเป็นกตดัดของอลอสแหละแต่มันเร็วเกินไปเร็วตรงไหนเร็วตรงที่อิมานที่มีอยู่นะ่ะรองรับเงินไม่พออิมานมันอ่อนกับเงินรองรับเงินไม่ได้รวยเนี่ยคนเราพอรวยจนกนูน่นนี่นี่นั่นอยากจะได้สารพัดเพราะความต้องการของมนุษย์มันต้องการสารพัแต่นี่สัาดวให้ให้เต็มให้สมบูรณ์ด้นะแล้วก็สะดกก็ด้วยนะ ไอ้สารก้อนนี่นะเพราะสารกแกะบอกแล้วว่าแก้ปัญหาสังคมได้ได้บุญทั้งดุนยาแล้วก็อาเคระงั้นต้องพยายามสารก้อมากน้อยทําหน้าที่นะมากน้อยทําหน้าที่ตามฐานะของเราที่มีอยู่ไม่ใช่มี 100, ร้อยสารก้อร้อยมีนะสารก้อร้ 100, นะอยหนึ่งมีใจถึงนะเอาแบ่งกันไปอ่านะส่วนหนึ่งสำหรับเราอีกส่วนหนึ่งสำหรับสังคมกว่ากันไปถ้าสังคมกาดการสารก้อนะ การการช่อยเหลือเก่ากูหนึ่งงานทางสังคมเดินไม่ได้เพราะคนทำงานทางสังคมเอาสมมติผมอยู่กับทีเอ็มทีวีหรือโทรทัศน์ทุกช่องเวลาทำหน้าที่ดัว่าอิสลามเราไม่มีธุรกิจเราไม่มีบริษัทเรามีแต่ความรู้พอประมาณที่จะบอกอิสลามไปครับพี่น้องได้จะเอาตังที่ไหนมาเสียข่าวไฟเ ส, เสียนู่นเสียนี่ไม่มีเราก็ต้องบอกความจาเป็นเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้รับรู้ ว่าเราต้องส่งอิสลามให้กับพี่น้องได้รับรู้ทั่วภวูมิภาคของประเทศในต่างประเทศเขาก็เปิดดูได้ผมไปมาค้าเปิดที่ MTV ดูชาว อ, อื่นก็ดูได้แล้วเราก็มาต้องไปพูดตามงานก่อนไปยาลาต้องขึ้นเครื่องบินไปขึ้นไปบนภูเขาไปแถวทานตรงทานโตอะไรก็ไม่รู้มันลําบากมันเหนื่อยแต่ในนี้พอเปิดโทรทัศน์ปุ๊บได้หมดเลยใครชอบใครก็ฟังไปโทรทัศน์ดีทุกช่องแหละนะดีทุกช่องลับเปิด ชอบฟังคนนู่นฟังฟังพูดไปฟังไปเราได้ความรู้ทำอะไรเดี๋ยวนี้มันมีวิทยุแบบว่าฟังไม่ต้องดูภาพอีกสบายใหญ่เลยสักผ้าก็ได้หูฟังมือกับขยี้ผ้าหุงข้าวถ้าดูโทรทัศน์ลำนัดพิ ก, ก็ต อ, อาคกไป่ดังหน้าโทรทัศน์ลำบากนี่มันมีความสะดวกเลยเนี่ยการรับรู้ข่าวสารมีความสะดวกมากทาแล้วเพราะนั้นสะดก้อเนี่ย อสระกูตานุตุลบาลาวาตุตาวิลุนอุ้มอสระก็จะปกป้องจากการบาลานและทําให้อายุยืนอุลมามะอธิบายว่าไงนะทําให้อายุยืนน่ะยังไงหนึ่งอายุยืนด้วยการนับปีสมมุติเราไม่รู้เนี่ยล l l a h กำหนดอายุเราสมมติหกสิบปีอสระก็ไปอาจจะตายแปดสิบหรืออีกแบบหนึ่งที่อุลมามะอธิบายคืออายุยืนแต่ไม่ได้ยืนด้วยการนับปีแต่อายุที่มีอยู่สมมติ สูงว่าลอกกำหนดสีิบตายส0ิบแล้วมันยืนได้ยังไงอ่าลอกกำหนดสมมติว่าเรารู้ว่าอลอกกำหนดส0ิบตายสี่สบแล้วยืนได้ยงไงอุลมาอธิบายว่าอายุสี่สิบเนี่ยมีความดีเหมือนคนอายุแปดสิบเก้าสิบเพราะอะไรเขาอีบาดางมากในะช่วงอายุสี่สิบปีที่เขามีอยู่งั้นมีสองแนวหนึ่งอายุยืนโดยการนับปีสองอายุยืนด้วยกับอายุไม่ไม่ได้การนับปีเท่าไหร่หรอ แต่ตายเร็วแต่ว่าชีวิตที่มีอยู่เขาทำความดีต่อตอ่อเน่เหมือนกับอายุแปดสิบเก้าสิบปีนั่นคืออาาัศรโกแต่รุดดุลบบลาจะปกป้องจะเบลวาวาตุเต้าเวลุลอุ้มและทำให้เราอายุยืนนั้นวันนี้เราทำไปก่อนความดีทำไปก่อนเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเศร้าที่สุดคือคนบ้านไฟไหม เขาบอกขโมยเข้าสิบหุนร้อยหุนยังมีเสื้อผ้ามีอะไรเหลือแต่ไฟไหม้หมดนี่เมื่อวันสองวันห้าวันก่อนที่ลำซาลีไฟไหม้บ้านใครบ้านยี่โมแล้วสมัยก่อนอ่าลำสารีไฟไหม้หมดเลยทีไฟไหม้เวลาพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจร น, น, นั่นคือข้อสรุปอาจจะลืมอะไระอะไรก็ได้ใช่ไหม ไฟไหม้ไหม้หมดเลยนะ่ะวันนั้นเราเนึกว่าเราเนี่ยอทมดูลินเล่าบ้านไฟไม่ไหม้เราไม่ได้มีอะไรเสียหายสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเราต้องให้โอกาสแก่คนที่เขาสูญเสียก็ไปช่วยกันให้กําลังใจบริจาคได้เท่าไหรก็ให้จะมีอะไรให้ได้ก็ให้เพราะวันนั้นนะ่ะช่วงนั้นหมดเนื้อหมดตัวแต่คนมูมินอย่าคิดฆ่าตัวตาย ลาตักงมาตู้มิรอมาตินแล้วยาหมดหวังจากความเมตตาของลอสวาตาลาที่อัลลอฮฺจะส่งผ่านความรู้สึกของใครมาก็ได้นะอย่าผูขคอตายอย่ากินยาฆ่าตัวตายไม่ต้องกันอินนัลลอฮัยะเจซิลมุตซัดดิกีนอัลลอฮฺแท้จริงอัลลอฮฺนั้นจะตอบแทนผู้ที่บริจาคทานมุตซัดดิก ผู้บริจาคคนเสียสละเราจะตอบแทนมากน้อยทําไปพี่น้องอย่ารอเวลาเอาไว้ก่อนเธอเอาไว้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายพรุ่งนี้ก็ได้อย่ารอเวลาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยา้าทําอะไรนึกได้ทําเลยเราจะอิบราด้าที่ต้องใช้เงินจะไปทำฮัฟนึกได้ไปเลยไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดจะไปอุ่รอนึกได้ไปเลยไหมไม่ได้ แต่ถึงขนาดนั้นนะเราก็จะต้องไม่พูดว่าโอ้ยคนอย่างฉันจะไม่ได้ไปหรอกเพราะโจนอย่าพูดมีที่พึ่งคือเราสัตว์ลาที่เราบอกกับผู้องค์เราอยากไปทำฮัทเราอยากไปทำอุมรออย่ารอขอให้ฉันได้มีโอกาสไปทาฮัทไปทาอุมรอขออุทธอ์รอถ้าไม่ได้ไปอันรอไม่กำหนดให้เราได้ไปเราได้ได้ เราได้รับผลบุญจากการที่เราขออนุญาต่อลัลลอฮ์เราอยากจะไปทำมุลรอไม่ได้ไปอทำแล้วได้บุญอยากจะไปทําฮัตไม่ได้ไปเราก็ได้บุญการทําฮัตงั้นอย่าพูดว่าคนอย่างฉันไม่มีโอกาสจะได้ไปทำฮัตทำมุลรออัลลอฮอย่าพูดเอคืออะไรอย่าตัดความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าเก็บตัวเองกับความเศร้าอยา่าพึ่งอลัอลลอฮ์สุบตาราโดยตลอดแล้วอลัลลอฮ์จะส่งผ่านความรู้สึก ที่จะช่วยเหลืให้แกใครแล้วแต่ผมเคยเล่าซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามีโต๊ะหมอโน้ตอ่ะที่เขาประครบผู้หญิงที่ออกที่คลอดลูกอ่ะแกเป็นคนดีมากไปไหนแกกระตผายมุ้งเก่าๆขงแ ก, ก, ก, ก, กไปละะไปต้มแล้วก็หาใบาอะไ ร, อ, ไรไอะไรไปใบใบอะไรอะไรก็ไม่รู้แกก็ต้นไปประครบไปอะไรแกก็คุยอยากจะไปทำฮาดบั๊ขออาต่อรอมานานแล้วไม่มีตัง แกก็คุยแกตามความซื่อๆของแกตามภาษาซื่อๆพี่น้องรู้ไหมสามีของคนที่ออกลกูกคลอดลูกวันนั้นเนะ่ตัดสินใจให้ตางไปทำอุมรอดเลยว่าโตมีความตั้งใจจริงแล้วก็มารยาทดีขอน อ, อนุญาตรอจริงใจแล้วไม่เคยบอกใครแต่ายากอยากบอกอันล่อตลอดเวลาได้ไปฮักปีนั้นไม่มีตังสักบาทสลึงก็ไม่มีนี่ เวลาอัลลอฮ์ให้นะอัลทำด้วยละอัลลอฮ์มาลามาเนียอาริมาอาตอยต์ะอัลลอฮ์จะให้ใครห้ามไม่ได้เวลาโมติอาริมามาะตะแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครก็ให้ไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะให้ดิสกีเราก็เหมือนกันใครจะแย่งดิสกีเราปุ้นดิสกีเราไปไม่ได้ถ้าอัลอฮวางไว้ให้เราแล้วอัลทำด้วยละต้องได้แต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งเราไม่รู้ นะเราไม่รู้แต่นี้มาดูเอาเราเลยบอกให้เราได้รู้ว่านะม่กกี้บอกแล้วว่าว่าไงนะให้สรกะก้เอเราะจะตอบแทนผู้ที่บริจาคผู้ที่สรกะก้์ตลอดเวลากอลหฮันอิลิมตุมมาฟอันตุมบิยูสุฟาวะอาคี อิสอัลตุมยาฮิลูนกล็ล่ะใครพูดท่านทราบไหมน บ, บียูซุฟพูดมาฝาอันตุมบียูซุฟานี่พูดกับพี่น้องที่ไปขอความช่วยเหลือว่าสิ่งใดที่ท่านท่านหลาทำกาลาบียูซุฟว่าขาีแิและพี่น้องของเขาท่านทราบไหม สิ่งใดที่ท่านทำก่อ น, นาบดุลซุบและพี่น้องของเขานาบดุเซุบเริ่มต้นคำถามกับพี่น้องนะพี่ๆที่มาขอความช่วยเหลือเนื่องจากความแห้งแลง้งอิสอันตุมยาฮิลูนท่านเป็นผู้ที่งมงายนะพวกท่านเป็นผู้ที่อยู่ในวัยชะกันแต่มีแรงริษยาสูงก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าน้อง งั้นความรักเนะี่ยมีมุมมองอยู่มุมมองหนะึ่งเพราะอ่านคำอธิบายของอุลามะบอกว่าเวลาเรารักลูกนะต้องซ่อนความรักไว้ในใจเราเยอะๆอย่าเผยความรักในใจเราให้พี่น้องได้เห็นมันจะเกิดการอิจฉานะจะเกิดการอิจฉาถ้าลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายถ้าจะให้อะไรแก่ใครมากกว่ากันให้ลูกผู้หญิงมากกว่า แล้วก็ต้องซ่อนๆให้รับหลังซ่อนๆให้ผู้ใหญ่ก็บอกซ่อนๆให้มันเพราะความอิจฉามีรักอย่าเผยความรักให้ให้ชัดเจนเดี๋ยวจะเกิดอะไรอีกฉาเนี่ยน บ, บียากุ้มน่ะรักยูซุปยังว่าทําไมไม่รักล่ะยูซุปเป็นอายุยังน้อยกว่าพี่พี่ลูกแม่คนที่สองมีพี่น้องสองคนหน้าตาก็อเลว หน้าตาก็น่ารักพูดจาก็ไพเราะก็ธรรมดาพ่อก็ก็รักแต่ว่าพี่น้องอิจฉาที่สยาสิ่งที่มันคิดก็คือฆ่านะนี่ความอิจฉานะสิ่งที่คิดของคนอิจฉาคิดแรกคือทําลายเราดีไม่ได้มันก็ต้องดีไม่ได้นะกูเกิดไม่ได้ภาษาบ้านๆฉันเกิดไม่ได้คุณก็ต้องเกิดไม่ได้อย่า เขาเกิดได้เขาดีได้เขามีฐานะขอด้อาวอเขาได้มีฐานะมากขึ้นให้เขามีใจที่ไร น, นะสงสารคนที่มีความยากจนขอไปสิใครให้แหละรลองให้เราบันดาลใจใครไม่ได้เราอ้ลนวอนให้เพราะนั้นเราผู้ศรัทธาต่อเราสุตตาราสิ่งที่เราต้องมีอยู่เสมอก็คือด้อาวอต่อเราอ่ะยาโมกันลีบันกุลูสับบิกอนบีอิลาดีนิกาวาลาต่อาติกขอตลอดนะ ยาโมกริบันกุรูโอผู้พลิกหัวใจคือใครอัลลอฮ์อัลอลอฮ์ลพลิกให้ได้ซับบิทตันบีขอพระองค์ไดห้หัวใจของฉันนั้นแนบแน่นมั่นคงอยู่กับอลาดีนิกะอยู่กับศาสนาของพระองค์คืออิสลามว่าลาต้ออติกะและต่อการเชื่อฟังพระองค์ต่อการเชื่อฟังพระองค์เรวก็เชื่อฟังพระองค์อิตะกุลลอตะกวาต่อรอทุกขณะ มาสตอต้ตุ้มเท่าที่สามารถสามารถยังไงล่ะถ้าบวชไม่ได้อล้อสังเราก็ไปต้องบวชนะออกฟิธีญาแทนเราเราสามารถแค่นี้เรายืนละหมาดไ่ได้มาสเตอรตอ้ตุ้มเท่าที่สามารถเราก็นั่งละหมาดรานั่งละหมาดไม่ได้เท่าที่สามารถก็คือนอนละหมาดเรานอนไม่ได้ก็แอ่วตายพี่เถอะ แอว่าง่ายก็แ อ, อบอกนอนไม่ได้ตายพีเธอนะก็นอนได้เท่าที่สามารถอัลลอ์รู้ไงอลัลลอ์รู้วันที่แข็งแรงเรายืนละหมาดสมมตร100ิร0อยเอร์เซ็นอลลอฮ์ให้รอยแต่วันที่อ่อนแอยืนไม่ได้นั่งก็ได้ร้อยนอนก็ได้รอยแต่ไม่เคยละหมาดมาเลยแต่วันที่แย่นั่งละหมาดไม่ได้ร้อยหรอก ได้ได้เท่าที่ได้ได้เท่าที่อ่อนแองั้นไอตอนแข็งแรงทําความดีให้สม่ําเสมอพอเราทุกพลภาพอ่อนล้าอัลลอฮ์ให้เต็มอลัลลอฮ์ให้เต็มนี่คืออะไรการหยุดความรู้สึกและศรัทธาต่อลอที่มีต่อลอไว้อย่างมั่นคงเก็บไว้ไม่ปล่อย เก็บไว้ไม่ปล่อยเก็บไว้จนกระทั่งถึงใกล้ที่เราจะตายถึงตายเลยผมเลยนาะวันนั้นมาวานบอกที่คองคิดว่าพอแก่แล้วเนี่ยมันจะลืมนะบางทีมันนึกไม่ออกบันทีจะนึกดูอาตรงนี้ไปเอาดูอาต้นอื่นมาเฮ้ยแ้งเฮ้ยเราเนี่ไปเยอะเลยหนวะนะ ดูอาอะไรนะนึกไม่ออกมีนะคนที่ลืมคืออะไรคือคนที่นึกไม่ออกเมื่อช่อะไรเรานึกไม่ออกว่า น, นั่นดูอาอะไรฮะนึกไม่ออกเรามันชาเ ม, นะเมื่มมอไหรนะ่อันไซเมอร์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะอันไซเมอร์ เองั้นเวลานึกไม่ออกในเวลาเห็นก็ทําผิดแล้วต้องเอาใจให้คนนี้มันนึกไม่ออกเลย <laughs> อย่าไปว่ามันงั้นนายบีนึกบอกว่ า, วาเวลาใกล้จะตายให้สอนกันริมองอะไม่แน่นะตอนนั้นน่ะ น, นึกไม่ออกนะไหนจะโรคที่เราเจ็บไหนจะความกังวลไหนจะเห็นไอ้ชายตอนมามาหลอกล่อไหนจะอะไรต่ อ, อะไรไหนลูกจะมาบอกถามมาไอมาตะลงทองเสิ่งสุดท้ายให้ใครโอโ้สารพัดสารพัน ไอ้ลูกทองคํำแม่จะตายอยู่แล้วถามม่อตอลงเส้นสุดท้ายใครแน่มออ๋อเหม่อบอกกูจะต้องตอบคาถามมึงแหละกูก็แย่อยู่แล้วงั้นอย่าไปอะไรแล้วตอนนั้นตายไปแบ่งตามมรดกผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนว่ากันไปตามส่วนไม่ชอบใจแล้วทำํำไมผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองว่าผู้ชายต้องไปเลี้ยงดูครอบครัว ผู้หญิงกได้ได้ไปก็เก็บนงินกอดไว้ได้สามีมาก็ได้สองส่วนมาบวกหนึ่งเป็นเท่าไสองบวหนึ่งเป็นสามสามีได้สองไปเลี้ยงเมียเมียได้หนึ่งสองบกนก็สามก็เหมือนกันแหละงั้นในความรับผิดชอบที่สามีต้องมีต่ อ, ตอครอบครัวผู้ชายเขาต้องให้สองส่วนผู้หญิงได้ไปไฟรีๆกัมไม่เลยพอไปได้สามีได้ทั้งนู่นอีกสองส่วนมารวมกันเป็นสามส่วน แล้วมาฮัฟที่ได้ไปก็ใครมาเอาไม่ได้ถ้าเราไม่ให้เขามาฮัฟสองแสนฮะสามีไม่มีอ่เมียเมียให้ได้ถ้าสามีรุจนอะไรนะทำไมนะอ่าอ่าสามีไม่มีก็อยู่ไปด้วยกันแล้วรวมเป็นสามส่วนอย่าบอกว่าเสี่ยเกิดมาจนละ เราไม่มีไอ้เศรษฐเพื่อมาจนไม่มีภาษาเราหรอกไม่ต้องไปจนเพราะระบบเรามันอุ้มเราด้วยนี่พี่น้องในบียูซุปอ่ะจนอนะ่ะไม่มีอะไรจะกินอ่ะแต่ระบบที่เกื้อกูลตรงเนี้ยทําให้ต้องไปหาในบีอูซุปไปขอความช่วยเหลือที่เป็นคุ้นคังของอียิปต์อ่ะนะนะงั้นกล้าจะตายไรเรนรอตอนนั้นมัาต้องคิดอะไรแล้วนาจะใครจะแบ่งไงกับเรื่องมันเถอะระหวังมันกับกรมที่ดินกันแล้วกันไช่ไม่ช่วย อย่าไปยุ่งไมมีญาติผมคนน่ะจะตาอยู่แล้ถามว่าตะลงทองเส้นสุดท้ายอ่ะไอ้เส้นใหญ่อะใครอัลโหลอ่าใช่เออดูนะอ่าท่านอาบูอุลามาท่านหนึ่งในนักทับซีได้กล่าวว่า ยามีอิจฉาทิ่สยียเพราะอะไรเวลาอิจฉามาเนี่ยอัลฮสัสซัตการอิจฉาเนี่ยญากรุลฮัสนาดมันจะกินความดีกามาตากรุลนารุลฮับตบเหมือนกับไฟมันกินฟืนแล้วเหลืออะไรไฟกินฟืนเหลืออะไรคือเหลือที่เท่าอยาอิจฉาใครได้ดีอะทำดุลิน ล, ละขอให้เขาได้ดีด้วยไปขอเลวสักเงี้ยเขาเยอะเยอะ ยัยชา้าโรคทางสังคมที่มาเกิดขึ้นทุกซอกทุกซอยตอนนี้คือโรคอิจฉาโรคใส่ร้ายโรคดูถูกโรคอะไรมีตั้งอัมรอดุลรอฮิริยานะรังเกียดคนจนดูแคลนคนอื่นเราไม่มีแบบนั้นเห็นเขาสวยอัลฮัมดุลิลละพอประชาชผู้หญิงคนหนึ่งเห็นผู้หญิงด้การสวยโอ้่แบบนี้มันไปทำนะ เฉือนอะไรออกไม่ต้องอะไรทำด้วยลรนล่าไม่ต้องไปรู้ของเขาทำหนุนมาทำหนี่มาไปยันฮียันโหยันฮ่าอะไรก็ไม่รู้อืมอมืเออใช่แต่ี่แต่ี่ี่พี่เหมือนได้ดูส่สเป็นเกอเออใช่ใช่แล้วเป็นไง อย่าดูถูกเพราะว่าข้างหน้าเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงอย่าดูถูกอย่าดูถูกต้องทำดูลินแล้วอย่างเดียวแล้วอยากจะได้ก็ขอดยอ่าเราจะประทานให้เราเหมือนกับเขาได้เท่าเขาหรือมากกว่าเขานี่ของเราเป็นแบบนี้อย่าดูถูกต อ, อย่างงู้นอย่างนี้อ่าทนี้ คนจะดีเนี่ยเขาบอกไงนะคนจะดีเนี่ยต้องอะไรครับไม่ทำชั่วมีการตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่ทำความชั่วตักวาคือรักษาหน้าที่ที่เรามีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรเป็นหน้าที่หน้าที่ที่เป็นวาญิบหน้าที่ที่เป็นสุนัตหน้าที่ที่เป็นเรื่องของการเสริมเติมเต็มก็ทำไปเป็นหน้าที่สองคนที่ดีต้องมีอะไรแบบอิสลามนะ หนึ่งต้องมีตักวาสองมีอิลมุนมีความรู้มีความรู้และความรู้ที่คนจะมีจะได้มาเนี่ยมันมันได้มาไม่เหมือนกันนะมันมีคนทุกคนมีความถนัดเฉพาะทางคนที่ชอบทําำขนมก็ทําแต่เราก็มองมันทําไหวเนี่ยอโลอนวดแป้งตั้งกระมังใหญ่ๆนวดอยู่ได้ ไอ้เรานร่ยแบบอยากจะกินกระต้มถั่วเขียวสบายดิง่ายอ่ะไ อ, อทท้ทาขนมปังทํานู่นทํานี่นะมีความรู้เนี่ยแล้วความรู้เหล่า น, นั้นแหละมามาทําสิ่งที่เป็นรูปธรรมอาหารการกิน อ, อะไรกันแล้วแต่ความรู้เรื่องช่างก็ทาช่างไปความรู้เรื่องไฟฟ้าก็ทําไฟฟ้าไปความรู้เรื่องวิศวะในด้านต่างก็นี่นี่คือความหลากหลายไงงั้นเรา ล, ลองให้มีความหลากหลายเพื่อจะให้ความรู้เหล่า น, นั้นมาอะไร มาช่วยพะดุงซึ่งกันและกันมาช่วยยึดโยงซึ่งกันและกันถ้ า, ม, า, านะมีอย่างเดียวลำบากนะมีอย่างเดียวลำบากต่อไปต้องมีความอ๋อมีความนุ่มนวลหนึ่งมีตักวา่าไม่ทำชัว่วสองมีความรู้สามมีความนุ่มนวลนะอย่า ก, ก้าวราวนุ่มนวล บางทีเรื่องเรื่องที่เราจะพูดมันจะเป็นต้องพูดกันได้ปาิทีการตักเตือนด้วยความนุ่มนวลสามารถเปลี่ยนคนได้แต่ถ้าความก้าวร้าวผู้ที่ถูกตาเตือนมีปฏิกิริยาตอบโต้สามคนดีต้องอะไระคนต่อไปคนที่ดีต้องอะไรมีสบัดมีอดทนนะวันนั้นวันนั้นพี่น้องของเรายูซูบารู้แล้วว่า ว่าผู้ที่พูดเรื่องราวต่างๆตรงนี้คุณทําอะไรมากับยูซุปทําอะไรมากับน้องนบียูซุปชื่อบุญยมินก็ลูพี่น้องของนบียูซุปก็พูดว่าอินนะกะละอันตะยูซุฟท่านใช่ไหยที่คือยูซุปพี่น้องฟังเหล่านี้แนละ้วก็บอกว่าท่านใช่ไหมที่เป็นนบียูซุปก็ละนบียูซุปว่าอันตยูซุปฉันคือนบียูซุป วาา่าฮาดาอัคีนี่คือน้องของฉันทีชื่อบุญยมินก็ตมันละลอหุที่อร้องให้ความโปรดปานหนึ่งให้พ้นจากการทดสอบสองให้เราได้มารวมกันหลังจากหายเหินกันไปนานได้มารวมกันมาเจอกันบนความยากจนที่มาพบกันอยู่สามให้เราได้รับเกียรติหลังจากที่เราได้ประสบกับความต่ำต้อยนะต่ำต้อยสิ แล้วก็วันนี้มาเจอกันแล้วพี่น้องก็มาเจอกันแล้วนะในความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นก็กํากลังจะได้รับการช่วยเหลือลจากอบดุียบอุสุนะครับก็เจอกันหมดแล้วในความพี่น้องเจอกันหมดอินนหูมายัตตะกินละวายัสบิดแท้จริงใครก็ตามที่มีการตะกวาต่ออลลรอและสบัดคู่กันนะสบัด ต, ต้องคู่กับตะกวา สวัสดอดทนสบัตแปลว่าอดทนต้องคู่กับตักกวา่าตั ก, กว่าคืออะไรการรักษาคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วเอามาปฏิบัติเป็นรูปธรรมต้องบวกกับสบัตด์ถ้าไม่อดทนทําไม่ได้เช่นบวชตั ก, กวา่าถ้าไม่สบัตบวชไม่ได้แต่ถ้าบวชไม่ตายงั้นคนที่อดน้ําอ่ะคนอดน้ําจะตายเรียวกว่าคนที่อดอาหารเพราะระบบอาหารเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ย มันส่วนหนึ่งมันจะแปลงไปเป็นไขมันและสะสมไว้ในร่างกายใช่ไหมเวลาคาร์โบไฮเดรตหมดแป้งน้ําตาลอะไรหมดไอไขมันก็จะถูกแปลงมาเป็นแป้งน้ําตาลเพื่อเพื่อเลี้ยงดูชีวิตเพื่ออะไรเพื่อใ ห, ให้ร่างกายได้ได้ดูซึมอน้ําหยดจากข้างน้ําหยดจากข้างถ้าไม่ตายใช่ไหมเราจะไม่ให้ตายนะ มีน้ําวาจาอันนามีนันมาคุณและชายอินไทยินเราให้ทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ได้น้ําไม่มีน้ําตายให้เรื่องตายอยู่ที่อัลลอฮ์อีกแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นอดอาหารได้เ้าบวชสบายงั้นตักรวากับสะบัด ต, ต้องอยู่ด้วยกันฝ่อินนัล ล, ลอฮ์ใเราอยู่ที่ว่าอัจรนมอซีนีนแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่จะไม่ทําลายคือจะให้รหางวัลผู้ที่มีความดี นะอัลลอฮ์ะจะให้อย่างสมบูรณ์จะให้รางวัลผู้ที่ทําความดีงั้นเราต้องมีอะไรสอบบัสมีความอดทนกับการตักกวาต่อต่อรองซาต ALA ควบคู่กันไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับว่าอัลลอฮ์ะจะยกระดับยกเกียรติไข่มีบทสรุปหนึง่งต้องตักกวาสองอดทนสมมีความรู้สี่มีความอดโยนห้าพี่น้องนบิยูซุปยอมรับว่านาบิยูซุปเป็นคู่ ที่ไรครับที่ถูกกระทาความผิดมาก่อนแล้ ว, วันนี้เวลาความยุ่งยากเกิดขึ้นก็ต้องมาพบกับคนที่พี่น้องเคยต้องการจะฆ่ามาก่อนงั้นอย่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็จากพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสุัสดนรัวอมที่จะเฉลยอีลออีเลออันตะอัสซาฟิร์กาวะูบิไลสลามุอะลัยกุมุลมะตุลลอฮวะบารกาตุ